เรื่องที่32ความชนะความชนะชเลิยย่อมเกิดความสงบกบเจ้าเคยพูดบ่อยๆว่าการบริหารชีวิตของคนเราแต่ละคนมีเรื่องยุ่งยากอยู่มากคนทุกคนนั่นแหละเรื่องมากทุกคนไหนจะเรื่องกินไหนจะเรื่องอยู่เรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องพี่เรื่องน้องเกือบจะนับเรื่องไม่ทวน บางทีข้าพเจ้าเคยบอกว่าเรื่องในตัวของเราทุกคนนี้มันก็เท่ากับเราย่อเอาเรื่องราวทั้งประเทศลงมาเป็นเรื่องตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นการบริหารชีวิตของเราจะต้องจัดระเบียบตัวให้ดีไม่เช่นั้นแล้วมันจะสับสนยุ่งยากจนแก้ไม่ไหวเรื่องเกี่ยวกับตัวเรานี้หากจะแยกเป็นประเภทใหญ่ๆ มีอยู่สองประเภทคือเรื่องภายในกับเรื่องภายนอกที่ว่านี้แยกตามสมมติฐานคือที่เรื่องมันเกิดขึ้นต้นโคลนของเรื่องมันอยู่ที่ไหนถ้าต้นมันอยู่ข้างในตัวก็เรียกว่าเรื่องภายในถ้าโคลนมันอยู่ข้างนอกตัวก็เรียกว่าเรื่องภายนอกนึกดูต้นไม้เครือเถาที่มันรกๆอยู่ในบ้าน หรือในสวนในไร่ของเราก็แล้วกันนั่นก็มีสองพวกถ้าแยกตามที่เกิดคือพวกหนึ่งมันเกิดอยู่ในที่เราเองแล้วมันก็รกอยู่ในที่เราอีกพวกหนึ่งเกิดอยู่ในที่คนอื่นเสร็จแล้วเลือ้อยคลุมเข้ามาในที่เราเรื่องต่างๆที่ปกคลุมชีวิตของเราอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องเกิดในตัวเรา ปกคุมตัวเราก็มีเป็นเรื่องเกิดขึ้นที่คนอื่นแล้วมายุ่งกับเราก็มีพูดง่ายๆคือต้นเง่ามันอยู่คนละแห่งนอกพวกหนึ่งในพวกหนึ่งเรื่องที่เกิดในตัวเราแท้ๆเช่นเรื่องเจ็บเรื่องไข้เรื่องหิวเรื่องกระหายเรื่องกินเรื่องถ่ายเรื่องหาความรู้เรื่องหาความรักเรื่องหาความสบาย เรื่องอยากได้สวัรดิพานนี่ตัวอย่างเรื่องในตัวส่วนเรื่องนอกตัวเช่นเรื่องถูกนินทาว่าร้ายเรื่องช่วยเหลือคนอื่นเรื่องลูกเขยลูกสาวเรื่องหลานเรื่องเลนเรื่องพี่เรื่องน้องซึ่งเกี่ยวเข้ามาหาตัวเราเรื่องสองประเภทนี้ที่สำคัญมากก็คือเรื่องภายในนอกจากมากเรื่องแล้ว ยังมากความเสียอีกด้วยเพราะเรื่องในตัวเรามันมีคนสําคัญหนุนหลังอยู่เป็นคนที่เรารักที่สุดเกรงใจที่สุดเสียด้วยผู้นั้นคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหากเป็นเรื่องที่มีคนที่ว่านี้คอยหนุนหลังอยู่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอาง่ายๆอย่างที่พระเจ้าเคยบอกมาหลายหนแล้วว่า ถ้าหมาบ้านอื่นกับหมาบ้านอื่นมันกัดกันเรื่องเล็กเราเห็นเข้าแล้วก็รู้สึกเพียงแต่ว่าหมากัดกันแต่ถ้าหมาบ้านอื่นกัดกับหมาบ้านเราก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเสียแล้วเราเป็นต้องเดือดร้อนไปกับมันจนได้พลาดถ้าเจ้าของหมากับเจ้าของหมาชักจะตึงกันไปเสียด้วยนี่ชี้ให้เห็นว่าเรื่องใดก็ตามหากเกิดจากภายใน คือมีคำว่าเราหนุนหลังอยู่แล้วเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไง่ายๆที่ว่านี้ทั้งข้างดีข้างเสียในการอบรมสั่งสอนศาสนกพระพุทธเจ้าทรงวางหลักใจไว้ให้เราทั้งสองอย่างคือทั้งเรื่องภายในทั้งเรื่องภายนอกแต่ที่ทรงย้า ม, มากที่สุดคือเรื่องภายในยกตัวอย่างเช่นเรื่องขโมย ทรงสอนให้เราไม่ประมาทให้รู้จักเก็บงำข้าวของให้ดีระวังคนอื่นจะมาขโมยของเราแต่แล้วก็ทรงสอนให้เราระมัดระวังตัวให้มากยิ่งกว่านั้นที่จะไม่ให้เราไปเที่ยวขโมยของคนอื่นพูดง่ายๆคือท่านให้ระมัดระวังตัวจะเป็นขโมยยิ่งกว่าการระวังคนอื่นจะมาขโมยของเราในเรื่องโกหกก็เหมือนกัน ให้ระวังจะถูกคนอื่นหลอกลวงแต่ที่สำคัญที่สุดคือระวังตัวเราเองอย่าให้โกหกหลอกลวงคนอื่นธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงวางควบกันไว้อย่างนี้กันทั้งเรื่องภายในกันทั้งเรื่องภายนอกแต่ทรงเน้นมากคือเรื่องภายในในบรรดาเรื่องภายในทั้งหลายนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าจะนำมาพิจารณากันดูในวันนี้ คือเรื่องการเอาชนะคนอื่นเรื่องนี้รวมอยู่ในประเภทเรื่องภายในคือคนเรามีนิสัยอยากชนะคนมาตั้งแต่เกิดด้วยกันทั้งนั้นครั้นต่างคนต่างคิดอยากชนะหนักๆเข้ามันก็เลยยุ่งนุงไปได้เหมือนกันลองมาคิดอ่านเรื่องนี้กันดูสักทีเถอะพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเรื่องนี้ไว้มากทีเดียว ข้าพเจ้าจะไม่ตั้งประเด็นเองแต่จะยกเอาประเด็นที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้มาบรรยายไปเลยทีเดียวคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องชนะหากจัดเป็นหมวดหมวดก็มีอยู่สามหมวดนี่เท่าที่ข้าพเจ้าลองสรุปดูคือ 1. ทรงสอนให้รู้จักค่าของชชนะ 2. ทรงสอนให้รู้จักจุดที่เราจะต้องชนะ และ 3. ทรงสอนศิลปะในการเอาชนะชนเลิมเท่าที่สังเกตดูก็มีอยู่3ลักษณะนี้ซึ่งในว่าเป็นคำสอนเรื่องชัยชนะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเรามีความคิดที่อยากชนะอยู่แล้วเป็นของดีแต่หากได้เอาหลักชนะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทั้ง3ลักษณะนี้เข้าไปใช้ประกอบด้วยเป็นดีแน่ แรกที่สุดก็คือความรู้จักตัวความชนะเสียก่อนเพราะเราอยากเป็นผู้ชนะหากไม่ทำความรู้จักให้ดีว่าชนะคืออะไรอาจคว้าผิดคว้าถูกก็ได้ทั้งๆที่ตัวแพ้ก็จะสำคัญผิดว่าตัวชนะหรือไม่อีกทีเราอาจไปหลงมัวเมากับชัยชนะเล็กๆน้อยๆทั้งๆที่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เราก็มีทางจะได้อยู่เหมือนกันคำว่าชนะชนะนี่ตรงกันข้ามกับคำว่าแพแต่ที่จริงเราจับคู่ผิดไปนิดหน่อยคำว่าชนะนั้นเดิมเป็นภาษาบาลีส่วนคำว่าแพเป็นภาษาไทยที่เราเอาคำสองคำมาประกอบคู่กันก็เท่ากับจับเอาแข่กับไทยมาเข้าคู่กันนั่นเอง ก็ไปได้เหมือนกันไม่เสียหายอะไรคนไทยคนแขกแท้แท้ยังจับคู่กันได้นับปราษาอะไรกับคำพูดของไม่มีจิตไม่มีใจในภาษาบาลีคําว่าชนะใช้ว่าชยะหรือชัยก็ได้ส่วนคําว่าแพ้ตรงกับคําว่าปราชัยแต่นี่พูดอย่างภาษาไทยใหม่นะ คือภาษาไทยใหม่น่ะถ้าสู้เขาได้เรียกว่าชนะถ้าสู้เขาไม่ได้เรียกว่าแพ้แต่ภาษาไทยเดิมถ้าสู้เขาได้เรียกว่าแพ้ถ้าสู้เขาไม่ได้เรียกว่าไม่แพ้ภาษามันกลับกันอยู่ cience, <ม>เวลาไปพูดกับประชาชนและทหารในท้องถิ่นต่างๆข้าพเจ้าต้องพูดแยกกันถ้าไปพูดกับทหารที่ใช้ภาษาไทยใหม่ ข้าพเจ้าต้องพูดกับทหารว่าต้องพยายามอย่าแพ้ค่าศึกเป็นอันขาดถ้าทหารแพ้บ้านเมืองเราก็ล่มจมแต่พอไปหน่วยที่ทหารนิยมใช้ภาษาไทยเดิมต้องพูดไปอีกอย่างหนึ่งคือต้องพูดว่าทหารที่ดีต้องแพ้ค่าศึกให้ได้ความแพ้เป็นเกียรติของทหารที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะคาว่าแพ้ ในภาษาไทยเดิมหมายความว่าชนะเดี๋ยวนี้คำว่าแพ้เป็นคำเสียหมดแล้วตั้งแต่เราเอาคำว่าชนะมาใช้แทนคำว่าแพ้เลยหมายความไปทางสู้ไม่ไหวทั้งนั้นอย่างเช่นแพ้ท้องแพ้ภัยแพ้ฟันดูมันแย่ไปทั้งนั้นที่ข้าพเจ้าพูดกับทหารอยู่เดี๋ยวนี้พูดออกไปคำเดียวทหารฟังทั่วประเทศ สุดเหนือสุดใต้ตามปกติก็ได้พยายามที่สุดที่จะพูดคำที่ฟังด้วยกันทุกท้องถิ่นทุกหัวบ้านหัวเมืองแต่มาโดนคำว่าแพ้เข้าเกิดเป็นคำกลับหน้ากลับหลังชอบก้นข้างหนึ่งว่าดีข้างหนึ่งว่าเสียแต่ก็เป็นคำที่จำเป็นต้องพูดเพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าพูดออกไปแล้ว ให้แต่ละคนคิดแปลเอาเองก็แล้วกันชนะหมายความว่าเก่งกว่าส่วนแพ้หมายความว่าสู้เขาไม่ไหวหันเข้าหาหลักธรรมทางศาสนาอีกทีดูความชนะในทัศนคทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าการที่คนเราอยากได้ชัยชนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นความคิดที่ถูกเกิดมาเป็นคนแล้วต้องชนะ แต่ว่าชัยชนะที่มีอยู่หลายชั้นหลายชนิดดีก็มีไม่ดีก็มีดีมากก็มีดีน้อยก็มีเป็นชัยชนะที่แท้จริงก็มีเป็นชัยชนะที่เก๊ที่ปลอมก็มีเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเลือกชนะชัยชนะที่ดีจริงถึงขั้นเป็นยอดของชัยชนะต้องดูที่สามจุดคือ1 ดูที่ตัวเราเอง 2. ดูคู่ต่อสู้และ3ดูมหาชนถ้าผู้ใดชนะได้หมดทั้ง3จุดนี้จึงเรียกว่าเป็นยอดของผู้ชนะที่ว่านี้หมายถึงเรื่องเดียวอย่างเช่นเราเป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันกับทีมอื่นก็ต้องชนะให้ครบทั้ง3จุด 1. ชนะตัวเอง จนสามารถแสดงสมรรถภาพออกได้เต็มที่ความอ่อนแอขี้แบกแง่งอนในตัวแพ้หมด 2. ชนะคู่แข่งขันให้เขายอมและต้องยอมให้หมดด้วยอย่าลืมว่าคนเราทุกคนมีทั้งใจที่ว่าเราชนะเขาก็หมายความว่าให้เขายอมทั้งกายทั้งใจด้วยตัวเขาก็ยอม ใจเขาก็ยอมรับว่าเราชนะจริงเก่งจริงในโอกาสเดียวกันก็ต้องให้คนรอบสนามยอมเราด้วยคือยอมรับว่าเราเก่งจริงชนะจริงอย่างนี้เป็นยอดของชัยชนะและเป็นชัยชนะอย่างแท้ยอมเรียบหมดส่วนชัยชนะที่ไม่แท้คือไม่ได้ทำให้เขายอมตลอดบางทีตัวเขายอม แต่ใจเขาไม่ยอมรับว่าเราเก่งแท้อย่างคนต่อสู้โดยไม่เคารพกติกาเรียกว่าเล่นขี้โกงถึงแม้หมากจะแพ้แต่ใจคู่ต่อสู้เขาก็ไม่ยอมว่าเราเก่งคนทั้งหลายเขาก็ไม่ยอมรับกลายเป็นว่าเราหลงชมว่าตัวชนะอยู่คนเดียวใยชนะที่ไม่มีใครยอมอย่างนี้สิที่ทางศาสนาตำหนิ แต่มีคนเข้าใจผิดอยู่เสมอคือเข้าใจว่าเพียงแต่ตัวได้ทําให้ใครยุบยับลงไปได้ไม่มีทางเพยะตัวขึ้นมาสู้ได้อีกแล้วว่าเป็นชัยชนะแล้วก็หาชนะกันด้วยวิธีนี้อย่างเช่นนักเรียนที่ตีกันเวลาแข่งฟุตบอลไปคิดว่าตีอีกฝ่ายให้มันน้าแข่งหักเสียชนิดที่อย่าให้มันไปแข่งที่ไหนได้อีก ถ้าทำได้อย่างนี้คิดว่าตัวจะชนะเด็ดขาดแต่หารู้ไม่ว่าที่ทำไปนั้นใจของคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้ยอมว่าเราชนะกีฬาใจคนดูตั้งพันตั้งหมื่นเขาก็ไม่ได้ยอมยกชัยชนะให้เราสักนิดเราเองหลงชมตัวเองเกือบตายเพื่อที่จะให้ทหารได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดเป็นยอดของชัยชนะนั่นแหละ เราจึงต้องมียุทธวินัยกำกับไว้ทุกฝีก้าวถ้าทำผิดยุทธวินัยแล้วถึงเก่งเท่าไหรเท่าไรคนทั้งหลายก็ไม่ยอมรับว่าเราชนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้กำหนดจดจำไว้เสมอว่าชัยชนะที่แท้จริงแล้วต้องชนะตลอดทั้งสาจุดคือชนะความไม่ดีในตัวเราเองด้วยชนะความคิดไม่ดี ในคู่ต่อสู้ของเราด้วยและชนะความเล่าลือในทางไม่ดีของคนทั้งหลายด้วยหมายความว่าเราสามารถปราบความไม่ดีของทุกคนลงไปได้เหลือแต่ของดีความดีคือชนะแล้วตัวเราเองก็ต้องคิดว่าเราดีคู่แข่งก็ยอมรับว่าเราดีคนทั้งหลายก็นิยมชมชอบว่าเราดีทำให้ความร้ายหมด เหลือแต่ความดีล้วนอย่างนี้จึงเป็นยอดของผู้ชนะถ้ลมจมไปหมดร้ายก็หมดดีก็หมดก็ไม่นับว่าชนะเหมือนหมอรักษาไข่หมอเก่งจริงต้องทำให้ไข้หายแต่ตัวคนยังอยู่ถ้าไข้ก็หายคนก็หายใครเขาจะชมว่าหมอเก่งจุดเอาชนะ ประเด็นที่สองจุดที่เราจะเอาชนะอันนี้ก็ต้องทราบและต้องชนะให้ถูกจุดแต่ก็เห็นจะไม่มีปัญหาอะไรสลับซับซ้อนมากหลักการสําคัญก็อยู่ที่ว่าเราจะทําให้คนยอมแต่ยอมรับว่าเราดีไม่ใช่ยอมรับว่าร้ายเราอยากจะให้ใครเขายอมรับว่าเราดีบ้างเราก็ถือว่าจุดที่เราจะชนะอยู่ที่คนนั้น ถ้าเราทำให้เพื่อนยอมรับว่าเราดีได้เราก็ชนะเพื่อนถ้าทำให้พ่อแม่ยอมรับว่าเราดีได้เราก็ชนะใจท่านถ้าเราทำให้คนที่เรารักยอมรับว่าเราดีได้เราก็ชนะใจเขาหลักสาคัญอยู่ตรงนี้ข้อสาคัญอย่าไปทำให้เขาคิดว่าเราร้ายเป็นอันขาดคือความแพ้ไม่ใช่ความชนะ ทีนี้จุดที่เราจะทําให้เขายอมรับว่าดีนั่นสิมันอยู่ที่ไหนต้องคิดทําทางอ้อมก็มีต้องคิด ท, ทาําทางตรงก็มีอันนี้ต้องแยกแยะดูอีกทีการเอาชนะคนมันยากอยู่ตรงนี้เองคนที่ไม่เข้าใจจุดที่จะเอาชนะมักจะหาเอาซื่อๆอยากชนะใจผู้ใหญ่ก็คอยไหว้คอยกราบเอา อยากจะชนะใจคนอื่นคิดแต่จะโฆษณาสรรพคุณตัวเองเสร็จแล้วเหลวของพันนี้มันต้องมีจุดสำคัญเหมือนเราปลูกต้นไม้อยากให้ผลมันออกมาที่ยอดแต่เราต้องเอาน้ำเอาปุ๋ยใส่ที่โคนทำทางนี้แต่มันได้ทางโนนของอย่างนี้ใครๆก็ย่อมทราบอยากชนะใจคนที่เป็นแม่ แต่เราก็ต้องซื้อขนมไปฝากลูกเขาอยากชนะใจลูกสาวบางทีก็ต้องซื้อหมากซื้อพลูไปฝากแม่เขาทําอย่างนี้ทํากันอยู่ถมไปการพยายามจะเอาชนะใจคนอื่นก็เหมือนกันก็ต้องหาจุดให้เจอไม่ใช่อยู่ๆก็จะหักคอเอาเฉยๆใครจะยอมทีนี้ประเด็นสุดท้าย คือศิลปะในการเอาชนะคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากรู้จักชัยชนะที่ดีแล้วรู้จักจุดที่จะเอาชนะแล้วหากไม่รู้วิธีเอาชนะก็ไม่พ้นคว้าน้ำเหลววิธีเอาชนะตามที่ได้ตามดูจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่เอากําลังทับถมเหมือนคนชกกันแต่ทำด้วยชั้นเชิงอันฉลาด ยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาชนะคนตระหนี่ที่เหนียวแทนที่ท่านจะสอนให้ชนะด้วยการขอแต่สอนให้ชนะด้วยการให้ทำไมจะเอาชนะคนขี้เหนียวถึงต้องไปให้เขาวิธีอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่อยากจะเรียกว่าวิธีแต่อยากเรียกว่าศิลปะเพราะฉะนั้นจึงได้ใช้คำว่าศิลปะในการเอาชนะคนอื่น ในการเอาชนะคนประเภทไหนควรใช้ศิลปะอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแยกไว้เป็นข้อๆเหมาะๆทั้งนั้นแต่เสด็จได้วันนี้หมดเวลาเสีแล้วเอาไว้ต่อพุทหน้าข้อที่ให้จําวันนี้คือชัยชนะชนเลิศต้องชนะตัวเราด้วยชนะคู่ต่อสู้ด้วยชนะประชาชนคนอื่นด้วยคือให้ทุกคนยินยอมรับว่าเราดี และเมื่อชนะแล้วความสงบก็เกิดขึ้น